พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงคำว่ารถแห่งธรรมคือความสุขของธรรมนี่สุขกว่าความสุขทั้งหมดความสุขต่างๆในโลกนี้เช่นความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสู้ความสุขของธรรมไม่ได้เหมือนกับเวลาที่มีคนเขาเปรียบเทียบรถยนต์เขาว่ารถยนต์ยี่ห้อนี้เป็นรถยนต์ที่ดีที่สุดแพงที่สุดถ้าเรายังไม่ได้ ลองนั่งรถยนต์ได้ใช้รถยนต์แบบนั้นเราก็จะไม่รู้ว่ามันดีอย่างไรมันทำไมจึงมีราคาที่แพงที่สุดรถแห่งธรรมก็เป็นในลักษณะนั้นรถแห่งธรรมเนี่ยเป็นรถที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่เหนือกว่า ความสุขที่ได้จากเงินทองจากยศจากตําแหน่งจากรางวัลต่างๆจากการได้ไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มไปทําอะไรต่างๆถ้าเราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแต่เรายังไม่ได้สัมผัสเราก็ยังจะไม่รู้ว่า รถแห่งธรรมนี้ดีอย่างไรถึงเป็นรถที่เหนือกว่ารถทั้งปวงการที่เราจะรู้ได้เราก็ต้องสัมผัสกับรถแห่งธรรมถ้าเราได้รับได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วเราก็อาจจะเราก็จะเห็น ว่ามันเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้การที่เราจะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมเราก็ต้องศึกษาวิธีที่จะสัมผัสกับรสแห่งธรรมว่าสัมผัสได้อย่างไรพอเราได้ศึกษาแล้วเราก็ ปฏิบัติทำตามที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีที่จะทําให้เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมวิธีที่จะสัมผัสกับรสแห่งธรรมนี้ก็ต้องทําใจของพวกเราให้สงบความสงบของใจนี่แหละ ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นรถแห่งธรรมที่ชะนะรถทั้งปวงการที่เราจะทำใจให้สงบได้เราก็ต้องควบคุมความคิดหยุดความคิดของใจให้ได้พระ ความคิดนี่แหละที่ทำให้ใจของเราไม่สงบทำให้เราไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงความคิดนี่แหละเป็นผู้ที่กีดขวางความสงบความสุขที่ได้จากความสงบถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้ แม้เพียงชั่วขณะหนึ่งเม่สัมผัสกับความสงบเราก็จะได้รับรู้ได้รู้จักลถแห่งธรรมว่าเป็นความสุขอย่างไรไม่คือสิ่งที่พวกเราต้องพิสูจน์กันเองไม่มีใครป้อน รถแห่งธรรมให้กับเราได้ไม่เหมือนกับอาหารที่คนอื่นเขาไปหามาซื้อมาแล้วก็มาป้อนให้เรากินได้รถแห่งธรรมนี้เราต้องเป็นคนป้อนเราเองเพราะว่ามันอยู่ในตัวของเราเองความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้ ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของพวกเราเองในใจที่ไม่เคยมีความสงบในใจที่มีแต่ความคิดอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยไม่ได้เห็นความสุขของใจว่าเป็นอย่างไรเราเลยไม่รู้ความจริงอันนี้ เราเลยถูกความคิดหลอกให้เราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราไม่ได้สัมผัสกับความสุขทางใจเราจะไม่รู้ว่าความสุขทางโลกนี่ ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสความสุขทางราบยศนี้มันซื้อความสุขของความสงบของใจไม่ได้ถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบของใจแล้วเราจะได้มีอะไรมาเปรียบเทียบเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วเราก็จะรู้ว่า ไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสงบของใจเพราะความสงบของใจนี้เมื่อเราได้พบแล้วเมื่อเราได้ทำให้เกิดขึ้นแล้ว <c oughs> เราจะสามารถรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดส่วนความสุขอย่างอื่นที่เราหากันอยู่ เป็นความสุขที่เราไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้ตลอดเวลาเราได้อะไรมาเราก็ได้ความสุขสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นความสุขนั้นก็จะหายไปถ้าเราต้องการความสุขแบบนั้นอีกเราก็ต้องหามาใหม่อีกหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ มันก็จะหายไปหมดไปความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนควันไฟมันค่อยๆจางหายไปเวลาเราจุดไฟแล้วมีควั น, น้อยขึ้นมาเดี๋ยวควันนั้นก็จะละ ล, ะลายหายไปในอากาศ ความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากลู่เสียงกลิ่นรสก็เป็นแบบนั้นสุขตอนที่เราได้รับกันมาใหม่ๆแล้วหลังจากนั้นไม่นานมันก็จางหายไปหมดพอมันหายไปมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลียวเดียวดายมีความรู้สึกว่าเราไม่มีความสุข เราจึงต้องคอยหาความสุขมาเติมอยู่เรื่อยๆต่อให้เราเติมได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็จะจางหายไปเท่านั้นแล้วต่อไปเวลาที่ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะหาความสุขต่างๆจากราบยศสรรเสริญจากรื่เสียงกลี่นนรสได้ เวลานั้นเราจะรู้สึกหยิดนำขานใจรู้สึกเศร้าซร้อยหงอยเหง า, ว, าว้าเหวถ้าไม่สามารถหาได้นานเข้าก็จะเกิดเป็นโลกซึมเศร้าขึ้นมาได้นี่แหละคือพิษเดือภัยของการที่เราหาความสุขจาก สิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเราต้องอาศัยร่างกายของเราเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราและความสุขที่เราหามาได้มันก็เป็นความสุขที่ต้องผ่านการการต่อสู้การค้นหากัน กาจะได้ความสุขแต่ละครั้งเราก็ต้องทำอะไรต่างๆมากมายเึ่นตอนที่เรายัางเป็นเด็กเราก็ต้องไปหาความรู้กันไปโรงเรียนไปหาไปหาวิชาความรู้เพราะว่าถ้าเราไม่มีวิชาความรู้เราก็จะไม่สามารถไปหาเงินทอง ที่จะมาซื้อความสุขต่างๆให้กับเราได้เป็นความเป็นความยากลำบากแล้วเมื่อเราเรียนจบเราก็ต้องหางานทำก็ต้องทุกข์กับการหางานทำพอได้งานทำก็ต้องทุกข์กับการทำงานทุกข์กับความมิตกกังวลว่า จะตกงานหรือไม่เนี่ยพราะงานบางทีทำไปบรยสั์ก็อาจจะต้องปิดหรือต้องลดคนงานลงเราก็อาจจะต้องถูกเขาปลดออกจากงานเราก็ต้องไปหางานใหม่นี่คือปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเรา หาความสุขภายนอกตัวเราเองแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้วิธีหาความสุขในใจว่าหาอย่างไรทุกคนเกิดมาก็ถูกสั่งสอนให้หาความสุขจาก ลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากลูกเสียงกิ่นนสดทุกคนก็เลยต้องไปเรียนกหนังสือกันไปหาวิชาความรู้แล้วก็ต้องไปทำงานกันแล้วก็ต้องไปทุกข์กับงานทุกข์กับความไม่แน่นอนของงานที่เราทำว่าเราจะทำได้ตลอดนอบฝั่งหรือไม่ เรายังต้องมาทุกข์มากังวลกับร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี้จะสมบูรณ์แข็งแรงจะทำงานทำอะไรได้ไปเรื่อยๆหรือไม่หรือว่าอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานี่คืออุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เกิดจากการหาความสุขจาก ลาบยศสระเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขอีกแบบหนึง่งคือการหาความสุขจากการทําใจของเราให้สงบ การทำใจของเราให้สงบนี้เป็นข้อเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะ เ, เรียบง่ายาไม่ยุ่งยากาไม่ต้องใช้อะไรมาก เ, าเหมือนกับการหาความสุขาทางโลกทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรส เ, เป็นสิ่งที่ถ้าเรา เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรานำอาอกไปปฏิบัติได้เราก็จะได้พบกับความสุขที่ไม่ปราศจากปัญหาปราศจากภัยต่างๆเพราะความสุขของใจนี้ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ รางกายนะเพียงแต่ใช้ธรรมะที่พุทธเจ้าทรงค้นพบนะมีอยู่สองธรรมะด้วยกันที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้ปลูกฝังให้มันเกิดขึ้นมาภายในใจให้ได้ธรรมะข้อที่หนึ่งก็คือสตนะิธรรมะข้อที่สองก็คือปัญญา สติและปัญญานี้จะเป็นผู้ที่จะมากำกับควบคุมความคิดของเราให้หยุดคิดแล้วถ้าคิดก็ให้คิดไปในทางที่ไม่ทาให้ใจเราวุ่นวายไม่ทาให้ใจเราวิตกกังวลเดือดร้อนจะให้เราคิดไปในทางที่ทำให้ใจเราสบาย นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมีกันถ้าเราอยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงคือรถของความสง บ, บของใจเราต้องสร้างสติขึ้นมาสติตอนนี้พวกเราก็มีกันแต่มีอยู่ในระดับของเด็กระดับ ของสติที่เราจะมาทาใจให้สงบได้นี่ต้องป็นสติของระดับของผู้ใหญ่ถ้าเราเปรียบเทียบเด็กกับผู้ใหญ่เราก็จะเห็นภาพว่าเด็กนี้ยังไม่สามารถทำอะไรให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้มากไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่มีความสามารถที่จะทาอะไรต่าง ให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาเด็กนี้กำลังอยู่ในขั้นการพัฒนาขั้นเจริญเติบโตจากเด็กให้ไปเป็นผู้ใหญ่สติของพวกเราก็เหมือนกันสติของพวกเราตอนนี้อยู่ในระดับของเด็กยังต้องพัฒนาให้ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เพราะสติของเรานี้ ยังไม่สามารถควบคุมความคิดของเราให้หยุดคิดได้เพียงแต่ควบคุมความคิดของเราให้ดูแลร่างกายของเราไปได้เท่านั้นเรามีสติที่จะคอยควบคุมการกระทาทางกายทางวาจา ที่จะทำให้ไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับพวกเราคือมีสติในการารักษาศีลเราพอที่จะห้ามการกระทาที่ไม่ดีที่จะทำให้เกิดโทษขึ้นมากับเราเช่นเรามีสติห้ามไม่ให้ฆ่าผู้อื่นไม่ให้ลักทรัพย์ของผู้อื่น ไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีไม่ให้พูดปดไม่ให้ดื่มสุรายาเมาอันนี้เป็นสติของคนธรรมดาทั่วไปแต่แม้การนั้นคนบางคนก็ยังไม่มีสติในระดับนี้มีสติที่ต่ำกว่าระดับของคนธรรมดาทั่วไปก็ ก็ต้องไปทำในสิ่งที่เกิดเป็นโทษกับเขาซึ่งไม่มีสติยับยั้งความคิดที่จะฆ่าผู้อื่นที่จะลักทรัพย์ของผู้อื่นที่จะประพฤติผิดประเวณีที่จะพูดปดที่จะเดิมสุรายาเมาและสิ่งเสพติดต่างๆมี้แสดงว่าระดับของสตินี้ ตำลงเมื่อเมื่อต่ำลงผลของการกระทําของเขาก็เกิดความทุกข์เกิดโทษเกิดปัญหาขึ้นมามากขึ้นกับผู้ที่มีสติที่จะคอยควบคุมการกระทําที่ไม่ดีได้พวกที่ควบคุมความคิดการกระทําที่ไม่ดี ก็มักจะต้องไปเจอปัญหาต่างๆต้องไปมีปัญหากับผู้อื่นไปมีการทะเลาะวิวาทกันมีการทำร้ายกันแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปติดคุกติดตารางกันอันนี้เป็นสติที่ต่ำสติ ที่พวกเรามีกันพวกเราไม่ไปติดคุกติดตารางกันพวกเราไม่ไปมีปัญหากับใครกันก็ mm. เพราะว่าเรามีสติพอที่จะควบคุมการกระทาการพูดของเราไม่ให้ไปเกิดเรื่องเกิดราวไม่ให้ไปมีปัญหากับผู้อื่นนั่นเองแต่สติที่จะทำให้เรามานั่งเฉยๆมาควบคุมความคิดนะ ไม่ให้คิดเรื่อง น, นเรื่องนี้เรายัางไม่มีกันหรืออาจจะมีแต่เราไม่รู้กันเพราะว่าเรายัางไม่ได้ยินได้ฟังความสําคัญของสติว่าถ้าเรามีสติดีๆเราจะสามารถผลิตความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรส จะได้รับจากข้างของเงินทองจะได้รับจากตำแหน่งยศต่างๆจะได้รับจากรังวันต่างๆบา ง, า ง, างนคนพอได้ศึกษาธรรมะได้อ่านหนังสือธรรมะหรือได้ยินได้ฟังธรรมะได้ยินวิธีทาจิตใจให้สงบโดยการใช้สติควบคุมความคิดพอลองเอ า, าไปทำดู บางทีทำเพลงห้านาทีก็เห็นผลได้รับผลขึ้นมาได้สัมผัสกับความสบบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงไี่เป็นเพราะว่าคนแบบนี้ได้เคยฝึกสติได้เคยสร้างสติมาก่อนในอดีตชาติจิตใจของเขานี้ ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาจิตใจของเขาฝึกสติไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้ฝึกสติสติอยู่ที่ใจเวลาที่เขาตายจากชาติก่อนไปเขาสามารถเอาสติติดตัวมากับเขาได้เวลาที่เขามาเกิดในชาตินี้พอเขาได้ยินได้ฟังเรื่องของการ ฝึกสติเรื่องของการนั่งสมาธิพอเขาได้ลองนั่งดูเขาก็สามารถทำจิตใจของเขาให้สงบได้เลยเหมือนกับความรูม้ความสามารถพิเศษต่างๆของคนเราบางคนพอเกิดมาอายุไม่กี่ขวบก็เล่นดนตรีได้เล่นเปียนโนเล่นไวอาลินได้ บางคนก็เรียนหนังสือได้เก่งได้วิชาความรู้ตั้งแต่อายุอย่างไม่มากสามารถเข้ามาหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่อายุสิบขวบก็มีอันนี้เป็นเพราะว่าในชาติก่อนนั้นเขาได้เรียนได้ศึกษาได้จดได้จำอยู่ภายในจิตใจของเขา พอเขามาเกิดในชาตินี้พอเขาได้ถูกบอกให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาได้ลองทำดูเขาก็สามารถทำได้ ท, ทันทีเพราะว่าเขาเคยทำมาแล้วในอดีตนั่นเองเหมือ mm hmm. นกับการที่เรามีความถนัดต่างๆด้มีความชอบด้วยไม่ชอบต่างๆ สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายเราตายไปความถนัดความชอบของเราก็ยังอยู่กับเราต่อไปเช่นถ้าเราถนัดมือขวาพอเรามาเกิดชาตินี้เราก็จะใช้มือขวากันต่อถ้าเราถนัดมือซ้ายเราก็จะมาใช้มือซ้ายกันต่อ ถ้าเราชอบเล่นกีฬาเราก็จะไปเล่นกีฬาถ้าเราชอบเล่นดนตรีเราก็จะไปเล่นดนตรีถ้าเราชอบอะไรต่างๆที่เราเคยชอบมาเราก็จะทำในสิ่งที่เราชอบโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกใครมาสอนเรามันคือสิ่งต่างๆที่ติดมากับใจของพวกเรา สติปัญญาก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่สามารถติดมากับพวกเราได้ถ้าเราได้รับการฝึกฝนอบรมในเรื่องของสติในเรื่องของปัญญาพอเรามาเกิดเราก็จะใช้สติใช้ปัญญา ท, ที่ที่เหนือกว่าผู้อื่นได้อันนี้เป็นสิ่งที่ ทำไมคนเราจึงบางคนพอศึกษาธรรมะแล้วพอลองปฏิบัติธรรมะก็สามารถรับผลจากการศึกษาจากการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วบางคนนี้มาเรียนมาฟังมาศึกษามาปฏิบัติเป็นเวลาอันยาวนาน ยังไม่ค่อยได้เห็นผลจากการปฏิบัติของตนก็พราว่ากําลังของสติของปัญญาที่มีในตอนนั้นยังมีไม่มากพอนั่นเองถ้ายังไม่มากพอก็ต้องพยายามศึกษาและพยายามสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาให้มากขึ้นไปจนกว่าจะสามารถที่จะ หยุดความคิดไดนะ้ถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งจะสงบขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาจะทำจะทาให้เห็นว่าวิธีการหาความสุขแบบทำใจให้สงบนี้เป็นวิธีที่ง่ายลืมปปราศจากปัญหาต่างๆไ ม, ไม่ต้องใช้สิ่งต่างๆ มาเป็นองค์ประกอบในการสร้างความสุขนะถ้าเรามีสติก็คุมใจของเราให้สงบได้เราจะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากเงินทองไา้จากยศยากจากตําแหน่งได้จากรางวัลต่างๆได้จากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มต่าง เราใจเห็นว่าเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้เครื่องม้าเครื่องมือไม่ต้องมีองค์ประกอบมากความสุขทางราบยศสรรเสริญทางลูปเสียงกลิ่นรสนี้ต้องมีองค์ประกอบต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงต้องมีเวลาว่างต้องมีเงินทอง ที่จะต้องเอาไปใช้ในการซื้อความสุขต่างๆถ้าขาดองค์ประกอบเหล่านี้เราก็จะไม่สามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเพียงมีแต่สติอย่างเดียวควบคุมความคิดของเราให้หยุดคิดให้ได้พอเราหยุดคิดแล้วเราก็จะได้ความสุขทันที อันนี้ง่ายกว่าร่างกายจะเจ็บจะป่วยหรือจะไม่แข็งแรงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสามารถที่จะทำใจให้สงบได้ไม่มีเงินทองก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีของที่อยากจะซื้อก็ไม่มีปัญหาอะไรบางทีร่างกายแข็งแรงมีเงินทองแต่ไม่มีของที่อยากจะซื้อ ซื้อมาหมดแล้วทุกอย่างของที่จะซื้อให้ความสุขนี้หาไม่มีหาไม่เจอมันก็ไม่มีความสุขได้ถ้าเราลองได้มาทดลองการปฏิบัติทำจิตใจให้สงบได้แล้วรับรองได้ว่าเราจะติดใจในลดของธรรมในลดของความสงบ เพราะเราจะรู้ว่ามันไม่ยุ่งยากเหมือนกับการหาความสุขในรูปแบบอื่นแต่มันยากตรงที่ว่าเราจะสามารถฝึกสติสร้างสติขึ้นมาให้สามารถควบคุมความคิดของเราได้หรือไม่เท่านั้นเพราะความคิดของเรานี่มันเป็นเหมือนลิงวิธีที่จะจับลิงนี่มันไม่ใช่ของง่าย ถ้าเราไม่มีเชือกนี่จะจับมันไม่ได้เลยว่ามันจะเร็วกว่าเราแต่ถ้าเรามีเชือกเราก็อาจจะสามารถทำบ่วงคอยล่อคอยดักมันได้แล้วพอจับมันได้ก็มัดมันให้แน่นให้มันติดอยู่กับต้นไม้พอมัดมันแน่นแล้วทีนี้มันก็จะดิ้นไม่ได้มันก็จะทำอะไรไม่ได้ จิตใจของพวกเราก็เหมือนกันความคิดของพวกเราเนี่ก็เป็นเหมือนลิงถ้าเราต้องการหยุดความคิดเราต้องหาเชือกมามัดมันให้ได้เชือกที่จะมัดความคิดได้ก็คือสตินี่เองแต่ตอนนี้สติของพวกเราเป็นเชือกที่เป็นเส้นเล็กเหมือนเป็นเหมือนเส้นได้ายหรือเป็นเหมือนเชือกกล้วย เอาใมดลิงปั๊บมันก็กระตกทีเดียวมันก็ขาดเนี่ยเราควบคุมความคิดได้แค่แวับเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็คิดต่อการสร้างความสุขทางใจการทาใจให้สงบนี้มันยากตรงที่การฝึกสตินี้เท่านั้ น, นการฝึกสตินี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องทำอยู่ตลอดเวลาถึงจะทำให้มีกำลัง พอที่จะสู้กับความคิดได้พอที่จะหยุดความคิดได้อันนี้นะถ้าเราไม่เคยมีสติมาก่อนเราก็จะต้องมีความเพียรความพยายามมากถึงจะสามารถสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงได้ถ้าเราขาดความเพียรความพยายามขาดความตั้งใจที่แน่วแน่ เราจะล้มเหลวเพราะพอเราลองปฏิบัติดูสักระยะหนึ่งเราก็จะเบื่อเพราะเราจะไม่ได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเพราะเรายังไม่มีกำลังสองสติพอที่จะควบคุมความคิดหยุดความคิดได้นั่นเองแต่ถ้าเรายังเชื่อว่า การหาความสุขทางธรรมนี้ดีกว่าความสุขทางโลกเราก็อาจจะมีความเพียรพยายามที่จะพยายามหัดรมต่อไปถ้าเรามีความเพียรพยายามมั่อช้าก็เร็วผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะความสาเร็จต่างๆนี้ก็เกิดจากความพยายามนี้ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะความพยายามนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีศรัทธามีความเชื่อในสิ่งที่เราทำว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำว่าจะให้ประโยชน์สุขกับเรา ดีกว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้เราก็เลยต้องมาเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยสงฆ์สาวกว่าท่านเป็นผู้ที่ได้พิสูจน์ได้ค้นพบความสุขของความสงบของใจนี้ท่านไม่ได้มาโกหกหลอกลวงเรา เพราะท่านไม่ได้อะไรจากการมาสัง่งมาสอนเราเวลาสอนท่านไม่ได้เก็บค่าเราเรียนใครอยากจะฟังก็ฟังได้กครไม่อยากจะฟังก็ไม่ต้องฟังใครอยากจะทำบุญก็ทำใครไม่อยากจะทำบุญก็ไม่ต้องทำท่านไม่ได้หวังประโยชน์จากการทำบุญของเราทํานทำเพราะท่านเห็นว่า เป็นสิ่งที่ควรที่จะนําเอามาเผยแผ่กันแจกจ่ายให้กันเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําให้เกิดขึ้นมาได้ถ้ามีความเพียพรพยายามที่จะฝึกฝนที่จะเจริญสติให้เกิดขึ้นมาดังนั้นถ้าเราเชื่อในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ เราก็จะพยายามทำในสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราทำกันก็คือการมาฝึกสติการเจริญสติการมาควบคุมความคิดของเราวิธีที่จะเจริญสติทำให้หยุดความคิดได้เราต้องมีอารมณ์ใดอารมณ์หนุงผูกใจไว้อารมณ์ ที่มาผูกใจให้นิ่งให้สงบนี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันแต่เราไม่ต้องใช้ทั้งสี่สิบชนิดเป็นเหมือนเสื้อผ้านี้มีอยู่สี่สิบชุดเวลาเราใสเราก็เลือกใส่ชุดเดียวชุดที่เหมาะกับเราเหมาะกับเหตุการณ์ เหมาะกับวาละโอกาสเวลาเราจะไปทำอะไรเราก็ต้องเลือกเสื้อผ้าใส่เวลาไปเล่นกีฬาเราก็ใส่เสื้อชุดกีฬาเวลาไปทำงานเราก็ใส่ชุดทำงานไปกรรมฐานนี้ก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่เราเอามาใส่ให้กับใจของเรามาควบคุมความคิดของเรา เพราะว่าในวันแต่ละวันนี้เรามีการกระทาอะไรต่างๆมากมายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเนี่ยเรามีภารกิจมีธุระมีการกระทาอะไรต่างๆมากมายการที่จะควบคุมความคิดของเรานี่ให้คิดให้น้อยที่สุดหรือให้หยุดคิดนี้เราก็อาจจะมีวิธีควบคุมหลายวิธีด้วยกัน บา ว, วิธีก็สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์คือการระลึกถึงคำบริกรรมเช่นพุทธโธถ้าเราสามารถระลึกบริกรรมพุทธโธได้เราก็สามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้ความคิดที่เราไม่ต้องเป็นจะต้องคิดเช่นเวลาพอเราตื่นขึ้นมา เราก็จะเริ่มคิดทันทีคิดว่าวันนี้วันอะไรต้องไปทำอะไรบ้างต้องไปเจอใครเราก็คิดอะไรต่อไปเลือเล่อยเปื่อยถ้าเป็นความคิดที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดเรามาหยุดมันดีกว่ามาหยุดด้วยการใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทโธไปเราก็จะคิดแต่เฉพาะเรื่องที่จำเป็นเช่นวันนี้วันอะไรต้องไปทำอะไร เวลาที่เราไปเตรียมตัวเพื่อที่จะไปทำสิ่งที่เราต้องทำเวลานั้นเราไม่ต้องคิดอะไรก็ได้แต่ถ้าเราไม่ใช้คำบริกรรมมันก็จะคิดไปอยู่เรื่อยๆคิดแล้วบางทีก็สร้างความวิตกสร้างความกังวลสร้างความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นทั้งๆที่ยังไม่ได้เจอกับเหตุการณ์ เพียงแต่ไปคิดถึงมันเท่านั้นมันก็ทําให้เราทอ้อทําให้เราเบื่อหน่ายขึ้นมาได้แต่ถ้าเราฝึกสติได้เราค่อยควบคุมความคิดได้ความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาใจจะว่างใจจะเย็นใจจะสบายแต่ถ้าเราไม่คอยบริกรรมพุทธโธมาก่อน พอเราทําได้สักคำสองคาเราก็จะหมดแรงเราก็จะเบื่อจะไม่อยากทําเน่ยเพราะเราไม่เคยทำเพราะมันเป็นเหมือนกับการวิ่งออกกําลังกายถ้าเราไม่เคยวิ่งออกกําลังกายมาก่อนเวลาเราเริ่มวิ่งใหม่ๆเราวิ่งไปได้ไม่ไกลเราก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากจะหยุดขึ้นมาแต่ถ้าเราพยายามหัดทาไปเรื่อยๆ หัดวิ่งไปเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยเพิ่มมันขึ้นไปวันนี้วิ่งได้กี่อยเมตรพวงนี้ก็เพิ่มขึ้นไปพยายามวิ่งไปพยายามฝึกไปต่อไปเราก็จะวิ่งได้เป็นกิโลคนที่เขาวิ่งมาราธอนได้เขาก็ไม่ได้วรมต้นที่การวิ่งครัง้งแรกคั้งเดียวเขาก็ต้องพยายามสาร้างกาลัง สร้างความสามารถในการวิ่งให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับการหัดเจริญสติการบริกรรมพุทธโธนี้ก็เป็นแบบนั้นเวลาเราเริ่มใหม่ๆเราจะรู้สึกว่ามันเถอะมันเถอะทะมันจะท่องไปทำไมท่องไปแล้วมันไม่เห็นผลไม่เห็นได้อะไรเนเพราะตอนนั้นใจเราอาจจะยังไม่มีปัญหา เราในไม่เห็นคุณประโยชน์ของการหยุดความคิดที่สร้างปัญหาต่างๆขึ้นมาภายในใจของเราแต่ถ้าเราไม่ซึ้ถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อนไม่ก่อนเดี๋ยวพอเวลาเกิดปัญหาที่ความคิดสร้างขึ้นมาเราจะหยุดความคิดนั้นไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธอย่างนั้นตอนที่เรา เราควรที่จะมาฝึกกันตั้งแต่ตอนที่ใจเรายังไม่มีปัญหาว่ามีเวลาปัญหาแล้วมันจะทำได้ยากกว่าต้องมีการกําหนดเราต้องตั้งเป้าว่าต่อไปนี้เราจะหัดบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยเรื่ยเริ่มต้นน้งแต่ตอนที่เราตื่นขึ้นมาเลยพอเราตื่นขึ้นมาพอเราจะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่มันไม่จําเป็นอย่าต้องคิดเราก็หยุดมันใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธเข้ามาแทนที่บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าเราบริกรรมแล้วเรารู้สึกว่าเหนื่อยไม่อยากจะบริกรรมเราก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราคอยควบคุมใจเราให้ดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่าให้ใจเราไป ไปไปไปเรื่องอื่นไปคิดถึงเรื่องอื่นเช่นเรากำลังล้างหน้าเราก็บังคับให้ใจเราอยู่กับการล้างหน้าแปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟันหวีผมอาบน้ำแต่งตัวไม่ว่าเรากำลังทำอะไรพยายามดึงใจบังคับใจให้เฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปอย่างนี้ก็จะ ห้ามใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เพราะถ้าเราไปคิดก็แสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับงานที่เราทำแล้วงานที่เราทำนี้ไม่ต้องใช้ความคิ ด, ด้วยความคิดก็เฉพาะความคิดที่จะต้องทำในขณะนั้นท่านเองก็จะไม่เป็นเรื่องราวใหญ่โตไม่เป็นปัญหาเกิดขึ้นมาอัานนี้ก็เป็นกรรมฐานอีกแบบหนึ่ง คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธก็เป็นกรรมฐานแบบหนึ่งการคอยเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะควบคุมความคิดหยุดความคิดของเราได้หรืออย่างน้อยก็ทําให้มันคิดน้อยลงเพราะเวลาตอนที่เราเริ่มต้นนี้เราจะไม่สามารถทําได้อย่างต่อเนื่องเราจะบริกรรมได้สัก ไม่ถึงนาทีหนึ่งเดียวมันก็วับไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วหรือว่าถ้าเราคอยเฝองดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ดูได้ปั๊บหนึ่งเดียวมันก็ไปอีกแล้วแต่เราต้องคอยฟฝ้าดูแล้วถ้าพอรู้ว่ามันไปก็ต้องพยายามดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาหาพุโทโธพุโทโธดึงดึงมันกลับมาหาว่าหาร่างกาย มาดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่เราทำไปกับร่างกายร่างกายกำลังเดินก็เดินไปกับร่างกายเวลาก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายไปเวลาก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาไปหรือให้รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายกำลังก้าวเท้าขวากำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวา ตามอะไรต่างๆทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวถ้าเราคอยฝ้าคอยดูมันได้ตลอดเวลามันจะทำให้เรามีสติเพิ่มมากขึ้นไปแล้วพอเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิเราก็อาจจะเปลี่ยนกรรมฐานอีกแบบหนึ่งแทนที่จะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็มาดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจ ลมหายใจของเราจะเข้าจะออกที่ปลายจมูกเนีเราก็นั่งเฝ้าดูลมหายใจที่ปลายจมูกไปหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออกบางแห่งก็ให้ไปดูที่หน้าท้องเวลาหายใจเข้าท้องมันก็จะพองขึ้นมาเวลาหายใจออกท้องมันก็จะยุบเข้าไปเวลาพอง ก็ให้พูดว่าพองหนอเวลายุบก็ให้ว่ายุบหนออันนี้เป็นการเตือนใจเตือนสติให้รู้ว่าเรากำลังเฝ้าดูลมหายใจเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองนี่แหละทาไมเราจึงมีกรรมฐานอยู่หลายรูปแบบด้วยกันเพราะเวลาที่เราจะใช้มันนี้มันมน ต่างเวลาต่างโอกาสเวลาหนึ่งใช้อย่างนี้อาจจะเหมาะกับใช้อย่างนั้นเวลาอีกเวลาหนึ่งใช้อย่างนั้นอาจจะเหมาะกว่าใช้อย่างนี้อันนี้เราก็ต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทดลองทำไปแต่ที่ใช้ได้ทั่วไปก็คือคำบริกรรมนี่คาบริกรรมนี้เราใช้ได้ตลอดเวลา เนเสื้อผ้าบางชุดนี่เราสามารถใส่ไปได้ทุกงานแต่เสื้อผ้าบางชุดนี่เราใส่ได้เฉพาะงานนั้นแต่ไปใส่อีกงานหนึ่งมันก็ไม่เหมาะสมกรรมาฐานนี้ก็เหมือนกันอารมณ์ที่เราจะใช้มาควบคุมความคิดของเรานี้มันมันมีหลายแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเราว่าจะเหมาะกับแบบไหน ้าไม่รู้ก็เอาพุโทโธพุธโทโธไปก่อนคำบริกรรมก็มีหลายคำบริกรรมนอกจากพุโทโธเราจะใช้การสวดมนต์ก็ได้ถ้าเราเบื่อพุโทโธถ้าเราจำบทสวดมนต์ได้ก็สวดไปในใจก็ได้สวดไปไม่ต้องออกเสียงบริกรรมพุโทโธก็ไม่ต้องออกเสียงถ้าเรามีการบริกรรมไม่มีการสวดเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ ทุกอารมณ์ทุกอารมณ์นี้มีไว้เพื่อห้ามความคิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความคิดต่างๆขึ้นมาเพราะเราจะต้องใช้ความคิดมาคิดอยู่กับอารมณ์ของกรร ม, มาฐานนั่นเองความคิดของอารมณ์กรร ม, มาฐานนี้ไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจไม่เกิดทำให้เกิดความฟุง้งซ่านไม่ได้เกิดความโลภความโกรธความอยากขึ้นมาแต่ถ้าคิดไปทางอื่นนี่เดี๋ยว ก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้เกิดอารมณ์บูดเบี้ยวขึ้นมาได้เกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความรักความชังขึ้นมาได้ถ้าเราต้องการที่จะควบคุมอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นมาเราใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์ให้มาคิดกับอารมณ์ของกรรมฐานจะบริกรรมพุทโธก็ได้ หรือจะสวดอิติปิโสผักกาวาไปก็ได้หรือจะใช้คำบาลีคำรรธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้เนี่ยราเลกถึงพระพุทธเจ้าก็ธรรมโมพุทโธเราเลืกถึงพระธรรมคําสอนก็ธรรมโมเราเลกถึงพระสงฆ์อริยสงสาวกก็สังโฆหรือส่วนอิติปิโสสวดเจวากาโตสวดสุปฏิปันโนไปก็ได้นี่นี่คือวิธีการต่างๆ ที่เราจะมาใช้ในการควบคุมความคิดตอนต้นต้องควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดไปในทางที่ทําให้เราเกิดความอยากเกิดความโกรธขึ้นมาเพราะเมื่อเกิดความอยากเกิดความโกรธมันจะพาให้เราต้องไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาต่างๆตามมาเบื้องตอนนี้เราต้องพยายามควบคุม ความคิดต่างๆให้มันน้อยที่สุดแต่เราจะหยุดความคิดต่างๆเหล่ า, านี้ไม่ได้ถ้าเราไม่นั่งเฉยๆนะถ้าเราอยากจะให้จิตเราสงบให้ความคิดทั้งหลายหยุดลงไปอย่างสิ้นเชิงนี้เราต้องนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วก็ใช้คำบริกรรมพุทธโธไปก็ได้เึ่นพอเรานั่งหลับตาแล้วเราก็ให้ระลึกถึงคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไป จะช้าจะเร็วก็ตามแต่เราจะพอใจช้าก็ได้บางทีความคิดเข้ามาแทรกมากเราก็อาจจะบริกรรมให้มันเร็วขึ้นเพราะมันความคิดนี้มันไม่ยอมถอยนะไม่ใช่ว่าพอเราบริกรรมพุโทโธแล้วความคิดมันจะหายไปมันไม่หายมันก็จะเข้ามาคอยสู้กับคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธเห็นบางที ถ้าความคิดมันมากเราก็อาจจะบริกรรมให้มันเร็วขึ้นถ้าบริกรรมเร็วขึ้นแล้วเรารู้สึกเหนื่อยก็บริกรรมให้ช้าลงก็ได้หรือถ้าเหื่อไม่อยากจะบริกรรมก็ดูลมหายใจแทนก็ได้เวลานั่งสมาธิเวลาใหม่ๆนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็สวดมนต์ไปก่อนแล้วค่อยมาพุโทโธพุโทโธ เลยมาดูลมหายใจเหมือนกับขับรถนี่บางทีเราต้องคอยเปลี่ยนเกียร์อยู่เรื่อยๆเพราะว่ า, วาอาถนนที่เราวิ่งอาจจะมีความเร็วช้าหรือเร็ ว, เ ร, ว, เ, รวเราก็ต้องปรับเกียร์ให้มันเหมาะสมกับความเร็วของถนนที่เราวิ่งอยู่ในตอนนั้นจิตใจของเรามันก็เป็นลักษณะเหมือนรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนทางถนน บางทีมันก็คิดมากบางทีมันก็คิดน้อยก็เราต้องคอยสังเกตดู ว, ว่าวิธีไหนที่เหมาะกับสถานการณ์นั้นเราก็ใช้วิธีนั้นเป้าหมายก็คืออย่าปล่อยให้มันคิดเท่านั้นเองให้มันคอยมีอะไรมาคอยดึงไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ พอคิดแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวตามมาจะทําให้เรานั่งเฉยๆไม่ได้เดี๋ยวคิดไปคิดมาก็อยากจะลุกไปทํำนู่นทํานี่แล้วมันก็จะทําให้การปฏิบัติของเราไม่เกิดผลขึ้นมายังในเบื้องต้นนี้เวลาที่เราฝึกนั่งสมาธิกันแล้ยังไม่ได้ผลนี้อย่าเพิ่งไปท้อแท้เพราะว่าเรายัง มีสติไม่มากพอเราต้องปากพุ่งเป้าไปที่การฝึกสติฝึกบ่อยๆฝึกให้มากวิธีจะฝึกบ่อยๆฝึกให้มากได้ก็ต้องไปอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวได้เราก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครไม่ต้องไปทํางานทําการอย่างพวกที่ไปบวชกันเนี่เขาต้องการที่จะไปอยู่คนเดียว เพื่อที่เขาจะได้มีเวลามาฝึกสติมาคอยควบคุมความคิดของเราให้ได้อย่างเต็มที่ถ้าไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ไปทำงานทำการทำธุระทำอะไรต่างๆมันก็ต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาการจะไปฝึกสติตอนนั้นก็ฝึกไม่ได้ก็เหมือนการออกกำลังกายเวลาเราออกกำลังกายเราก็ต้องไม่ไปทำอะไรอย่างอื่น เราต้องมีเวลาไปเข้าห้องห้องห้องออกกำลังกายเราถึงจะสามารถออกกำลังกายได้ถ้าเราทำงานเรามีธุระเราทำอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็ไปออกกำลังกายไม่ได้การฝึกสติก็เป็นเหมือนการออกกำลังใจเหมือนกันใจกับร่างกายก็เหมือนกันร่างกายจะแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกาย จิตใจจะแข็งแรงก็ต้องออกกำลังใจการออกกำลังใจก็คือการเจริญสติการฝึกสตินี่เองถ้ามีสติมากใจจะมีกำลังมากใจจะมีพลังใจจะมีกำลังที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆได้ถ้าใจไม่มีสตินี่ใจจะอ่อนแอพอมีอะไรมากระทบหน่อยก็จะวุ่นวายขึ้นมาทันที เพียงแต่ได้ยินเสียงไม่ถูกใจขึ้นมาใจก็วุ่นวายขึ้นมาทันทีเสียใจขึ้นมาทันทีโกรธขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีสตินี้มันจะไม่เกิดถ้าเกิดก็สามารถหยุดมันได้พอมันจะโกรธก็หยุดมันได้พอมันจะเสียใจก็หยุดมันได้นี่คือกําลังใจการที่เราจะออกกําลังใจเหมือนกับการออกกําลังกายเราต้องมีเวลา เวลาเราออกกำลังกายนี่เราไม่ไปทำธุระอย่างอื่นเราก็มุ่งไปสู่การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวเวลาการออกกำลังใจก็เหมือนกันเวลาไหนที่เราต้องการออกกำลังใจเราก็ต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในที่ที่สงบไม่มีอะไรมารบกวนใจเพราะว่าถึงแม้จะอยู่คนเดียวแต่ถ้าอยู่ในที่ ท, ที่ไม่สงบเช่นเสียงรูปอะไรต่างๆเข้ามาสัมผัส ปัจจัยเรามันก็จะทำให้ใจเราคิดได้พอได้ยินเสียงก็จะคิดถึงเรื่องเสียงพอเห็นรูปก็จะคิดถึงเรื่องรูปนั้นได้อันนี้การออกกำลังใจนี้จำเป็นจะต้องต้องไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆห่างไกลจากบุคคลต่างๆห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆ หรือถ้าไปไกลไม่ได้ก็สมมุติถ้าเรามีบ้านเตามีห้องเราก็ทําห้องไว้ให้เราเข้าไปอยู่คนเดียวเอแล้วก็ปิดเสียงปิดอะไรเสียไม่รับรู้โลกภายนอกให้อยู่คนเดียวเหมือนเหมือนอยู่ในคุกในตารางแล้วเวลานั้นมันก็จะทําให้เราอสามารถที่จะมาฝึกสติมาเจริญสติกันได้ ถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วยากที่จะสร้างสติขึ้นมาได้เนี่ยเราจะมีวัดมีที่ปฏิบัติธรรมกันมีคนไปฝึกกันเดีย๋ยวนี้สมัยนี้สถานที่ปฏิบัติธรรมนี้เหมือนกับเป็นลองฟิตเนสเนี่ยมีโกเองก้ามีนู่นมีนีน่เขาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมกันขึ้นมาเพื่อคนที่ต้องการที่จะไปออกกําลังใจ ไปสร้างสติจะได้ไปมีที่ไปออกกําลังใจกันเหมือนกับสถานฟิตเนยที่มีไว้สําหรับคนที่ต้องการออกกําลังกายเขาก็จะไปกันได้คนที่จะต้องการฝึกสติจึงจําเป็นที่จะต้องหาเวลาต้องตัดภารกิจการงานด้วยการหาความสุขทางร่างกายให้น้อยลงไปบ้างต้องเล็งถึง ประโยชน์ที่เราควรจะได้รับจากการฝึกสติและต้องเล็งถึงอนาคตที่ต่อไปร่างกายเราจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้เราต้องมาเรียนหาวิธีหาความสุขแบบใหม่กันหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกาย คือให้มาหาความสุขจากการเจริญสติกันฝึกสติกันส่วนปัญญานี้ต้องรอให้เราฝึกสติให้ได้ก่อนปัญญานี้เป็นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งนี้เรามาฝึกสติมาควบคุมความคิดมาหยุดความคิดให้ได้ก่อนถ้าเราควบคุมความคิดหยุดความคิดไม่ได้เราจะให้ความคิดคิดไปในทางปัญญาไม่ได้ ความคิดของเราตอนนี้ชอบคิดไปในทางความอยากกันชอบคิดไปในทางความโลภความโกรธกันพอเห็นอะไรปั๊บก็โลภขึ้นมาอยากได้ขึ้นมาพอได้ยินอะไรไม่ถูกใจก็จะโกรธขึ้นมาทันทีเลเรืองตอนนี้ต้องหยุดความคิดแบบนี้ให้ได้ก่อนพอได้ยินอะไรพอจะโกรธต้องหยุดความโกรธให้ได้พอเห็นอะไรอยากได้ก็ต้องหยุดความอยากให้ได้ก่อน พอหยุดความโลภหยุดความโกรธได้แล้วถึงจะค่อยมาสอนใจให้คิดว่าทําไมไม่ควรโลภไม่ควรโกรธเพราะการโกรธมันก็ทําให้เราทุกข์เนี่ยความโลภมันก็ทําให้เราทุกข์เนียแล้วสิ่งที่เราได้มันก็จะทําให้เราทุกข์เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราได้มาแล้วเราก็ต้องมาดูแลรักษามาคอยหวงคอยห่วง คอยวิตกคอยกังวลอีกถ้าเราคิดไปในทางนี้ได้ต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากเห็นได้มาแล้วต้องมาเป็นภาระกับจิตใจหรือเรื่องของความโกรธเราก็ต้องทําสอนใจว่าเวลาที่เราได้ยินเสียงหรือได้เห็นใครก็ทําอะไรที่เราไม่พอใจเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาก็ต้องทําไปตามเรื่องของเขา แต่เราห้ามใจของเราได้อย่าไปสนใจก็ปล่อยก็ทําไปเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเขาเขาทําดีเขาก็ได้ดีเองเขาทําไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้ดีเราไม่ต้องไปโกรธเขาทำใจเราเฉยๆปล่อยวางเพราะโกรนแล้วเดี๋ยวต้องไปมีเรื่องมีราวกันถ้าไม่โกรธแล้วต่างคนก็ต่างอยู่กันได้อันนี้เป็นขั้นตอนของปัญญาเบื้องต้นต้องมาฝึก หยุดความคิดกันให้ได้ก่อนพอถ้าหยุดความคิดไม่ได้จะสอนให้ไปคิดในทางไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ได้แต่ถ้ามีความสามารถหยุดความคิดได้แล้วก็จะสามารถสอนให้ความคิดให้คิดไปอีกทางหนึ่งตอนนี้ความคิดของพวกเราส่วนใหญ่จะคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงกันเราต้องมาหยุดความคิดแบบนี้ก่อน หยุดไดการฝึกสติใช้กรรมบริกรรมหรือใช้การคอยควบคุมให้ใจเฝ้าดูการกระทําของร่างกายในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวแล้วพอมีเวลาว่างก็ให้นั่งหลับตาเพื่อทําให้มันสงบได้อย่างเต็มที่ถ้ามันยังไม่สงบอย่างเต็มที่มันจะไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวง มันก็จะทําให้ยังไม่ค่อยมีกําลังใจที่จะปฏิบัติแต่ถ้าเราสามารถทําให้ใจสงบได้แม้แต่เพียงเชื่อมืลแลบลิ้นมันก็จะทําให้เราเอามีกําลังใจขึ้นม า, มากเลยเพราะเราจะได้เหมือนได้ดูหนังตัวอย่างพอได้หนังดูหนังตัวอย่างแล้วเดี๋ยวก็อยากจะดูหนังจริงเลย แต่ถ้ายังไม่ได้ดูหนังตัวอย่างก็เลยไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้มันดีหรือไม่ดีน่าดูหรือไม่น่าดูมันก็จะทําให้เราไม่มีกําลังใจที่จะคอยคอยดูมันแต่พอเราได้ดูหนังตัวอย่างแล้วทีนี้เราชอบเราอยากดูทีนี้เราก็จะคอยดูวันดูว่าดูคืนว่าเมื่อไหร่มันจะเข้าลงมาฉายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบแม้เพียงแต่เป็นแค่เชื่อหงูแล้วินมันจะทําให้เรามี กำลังใจที่จะเพียรพยายามที่จะฝึกสติให้มีมากขึ้นไปเราจะพยายามหาเวลามาฝึกให้มากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับต่อไปเราก็จะมีสติขึ้นมามีความสามารถที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้มีความสุขจากการนั่งสมาธิได้พอมีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขแบบอื่นอีกไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลง ไม่ต้องไปกินไปดืม่มไปหาเงินหาทองหาอะไรถ้าหาก็หาเพียงแต่มาใช้กับสิ่งที่จำเป็นแต่ไม่ต้องไปหามากใช้กับความอยากต่างๆเราก็ไม่ต้องหาเงินมากไม่ต้องทำงานมากเราก็จะมีเวลาที่จะมาทำใจให้สงบได้มากขึ้นมีความสุขได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไร แล้วก็จะมีความสุขแบบนี้ไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราสามารถทำใจให้สงบได้ทุกเวลาทุกสถานภาพของร่างกายนี่คือเรื่องของนตแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นนตที่เหนือกว่ารสทั้งปวงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ถ้าพวกเราเชื่อลองมาปฏิบัติกันดูถ้าปฏิบัติได้ผลแล้วรับรองได้ว่าจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างแน่นอนเพราะไม่มีอะไรที่จะดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาฤวาฮาบุราปาริปุเรนติสาคลัง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 สัพพะโควินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีธีคายุโกภวาพิวาทนศีริตสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลั ต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเจญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ในช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วก็ไม่มีการถามต่อถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านติดตามกันเท่าไหร่ค่ะทางเฟซบุ o กสามรอยยี่สิบห้า y o u t u สองร้อยหกวิทยวออนไลน์ยี่สิบห้ารับฟังบนเข่า2ยี่สิบหกรวมทั้งหมดห้าร้อยปดสิบสองคนค่ะมีคำถามทางบ้านไหมเมีก็ถามได้ไค่ะคำถามจากคุณเปียนันผู้ที่เคยฝึกสมาธิเมื่อเสียชีวิตดวงจิตออกจากร่างกายไปแล้วยังจะสามารถฝึกสมาธิในโลกทิพย์ต่อไปได้หรือไม่ครับ เวลานั้นเป็นเวลารับผลของสมาธิของบุญหรือของบาปที่เราทำไว้เหมือนตอนที่เรานอนหลับนะเวลาตายก็เหมือนตอนเรานอนหลับเราทำอะไรไม่ได้นะใช้ร่างกายไปนู่นมานี่ไม่ได้ใจของเราก็จะอาศัยบุญหรือบาปที่เราทำไว้เป็นอารมณ์ที่จะให้ความสุขและความทุกข์กับเรา ค่ะคำถามต่อไปจากคุณใหญ่ทำไมต้องฝึกสู้กับทุกเวทนาครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาเวลาเราเจอทุกเวทนาแล้วเราจะทรมานใจถ้าเรารู้จักวิธีสู้กับทุกเวทนาเราก็จะสามารถกำจัดความทรมานใจได้ เราไม่ได้สู้ทุกขเวทนาเพื่อเอาชนะทุกขเวทนาเรา ส, สู้กับทุกขเวทนาเพื่อที่เราจะหยุดความทรมานใจค่ะคำถามต่อไปจากคุณสุธิมาค่ะการคิดเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันนี้อาจเป็นการสร้างภพสร้างชาติให้กับเราและเป็นบาปโดยเฉพาะการคิดร้ายต่างๆใช่หรือไม่เจ้าคะ้ะ ถ้าเราคิดไปทางความอยากก็เป็นการสร้างภพสร้างชาติถ้าคิดไปในการทำบาปมันก็เป็นการทำให้เราสร้างความทุกข์สร้างสร้างโทษให้กับเราพุทธเจ้าถึงสอนให้เราคิดไปในทางบุญทำให้เรามีความสุขแล้วคิดไปในทางความไม่อยากเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไป ค่ะคำถามจากคุณชัยพลตอนที่บวชเคยนั่งสมาธิได้ถึงยานสีแต่ตั้งแต่สึกออกมานั่งสมาธิได้แค่ขั้น อ, อุปจาวรสมาธิเท่านั้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับและจะแและจะแก้ไขยอย่างไรที่จะถึงยานสีได้ครับชาญสีไม่ใช่ยานสีชอกระเชยชาญกับยานไม่เหมือนกันชาญคือสมาธิยานคือปัญญา ก็เพราะว่าเราสติเราไม่ดีเหมือนตอนที่เราบวชนะตอนที่เราบวชเราไม่มีเหตุการณ์ไม่มีเรื่องราวที่จะมาดึงใจให้ไปคิดเหมือนกับตอนที่เราศึกพอเราศึกเรามาทํางานเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งวันพอเราจะมาเรื่องสมาธิสติเราก็มีกําลังไม่พอที่จะทําใจให้สงบนะ ค่ะคำถามต่อไปจากคุณคันชิดผมหัดนั่งสมาธิมาเป็นปีแล้วแต่ใจไม่สงบครับนั่งเป็นสองเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่สงบครับผมต้องทํำยังไงครับเพราะไม่มีสติการนั่งเฉยๆนั่งแบบไม่มีสตินี้ต่อให้นั่งไปทั้งปีทั้งชาติมันก็ไม่สงบต้องมีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่งองราวต่างๆให้อยู่กับเรื่องเดียว อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปถ้าทําอย่างนี้ได้ห้านาทีสิบนาทีใจก็สงบได้ค่ะคำถามต่อไปจากคุณธานากรค่ะคําถามที่หนึ่งค่ะกรรมฐานแต่ละกองที่เจริญแล้วจะสามารถเข้าถึงอานาปนาสติขอโทษค่ะอัปปนาสมาธิได้ทุกกองหรือเปล่าครับก็อยู่ที่กําลังของสติกรรมาฐานแต่ละกองมันก็เป็น อารมณ์ผูกใจให้เข้าสู่สมาธิอยู่ที่ว่ามันมีกําลังมากกําลังน้อยถ้ามีกําลังน้อยมันก็ยังเข้าไม่ได้ต้องมีกําลังมากต้องพยายามฝึกสติจะใช้กรรมาฐานตรงไหนก็พยายามให้มันอยู่กับกองนั้นไปตลอดเวลาอย่าปล่อยให้มันไปเผลอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะอยู่กับพุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธ อยู่กับการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอยู่กับลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจไปอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆมันก็สามารถเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้คําถามที่สองค่ะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจ ะ, จะสามารถแสดงฤทธิ์ได้หรือเปล่าครับก็แล้วแต่ว่า ถ้าอยู่ในสมาธิแล้วออกไปทางอุปจารสมาธิได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของวาสนาเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้คนบางคนมีวาสนาที่จะไปมีฤรธิมีเดชก็มันก็จะไปของมันเวลาจิตเข้าสู่ความสงบคนที่จะระลึกชาติได้มันก็จะไปละลึกชาติคนที่ อ่านใจของคนอื่นได้ก็จะไปอ่านใจของคนอื่นได้อันนี้มันอาจจะเป็นเพราะนายอดีตเคยฝึกมาแล้วรู้จักวิธอีอ่านจิตของคนอื่นรู้จักวิธีระลึกชาติต้องมีคนสอนต้องมีอาจารย์สอนถ้าไม่มีอาจารย์สอนเวลาจิตสงบมันก็จะไม่ไปไหนแต่คนที่เคยได้เรียนมาแล้วพอจิตสงบมันก็จะไปตามทางที่มันเคยเรียนมาได้มาต่อได้ คำถามต่อไปจากคุณเบนชวานค่ะการที่เราปฏิบัติแล้วเมื่อพบเจอสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันที่เราเคยมองว่าคนอื่นไม่ดีแต่มาตอนนี้สิ่งที่เรามองคนอื่นว่าไม่ดีเรากลับเห็นว่ามีในตัวเราเองหมดเลยมั <c oughs> นจะทาอย่างไร <c oughs> ถึงจะอยู่กับสิ่งที่ได้เห็นเจ้าคะก็ เ, เราอยู่กับตัวเรามาได้ตลอดไม่ใช่ไหยในเมื่อสิ่งที่เราเห็นมันมีในตัวเราทำไมเราอยู่กับมันได้ ทำไมเราอยู่กับเขาไม่ได้มันก็เป็นอันเดียวกันความไม่ดีเหมือนกันความอิดชัลอสยาเหมือนกันความโลภเหมือนกันความโกรธเหมือนกันเราก็ต้องถามตัวเองทำไมเราอยู่กับเราได้ทาไมอยู่กับเขาไม่ได้เหมือนกับเราอยู่อุจระของเราได้แต่อยู่อุจระของคนอื่นไม่ได้ค่ะคำถามต่อไปจากคุณพิทักษ์ในการรับประทานอาหาร หากเรารู้เท่าทันในความรู้สึกนึกคิดของเราว่ายังมีความความชื่นชอบลหลงไหลในรสชาติของอาหารอยู่โดยขณะที่กำลังจะรับประทานอาหารจะบอกกับใจของตัวเองว่าจะรสชาติหรือรูปร่างสีสันน่ากินเพียงไรสุดท้ายก็รวมกันเป็นอาหารใหม่ที่ไม่น่าดูกินเช่นเดิมเมื่อคิดเช่นนี้จะทำให้จิตรู้สึกตัวในการกินอยู่ตลอดและเป็นการป้องกันไม่ให้จิตหลงไหลไปกับรูป รถและของอาหารแบบนี้ถือว่าเป็นการฝึกจิตรักษาจิตในการทำปัญญาหรือไม่ครับขอบคุณครับเป็นการฝึกสอนด้วยปัญญาไม่ให้หลงไหลกับรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารที่ไม่ดูน่ารับประทานเวลาอยู่ในจานเวลาเข้าไปในปากในท้องแล้วมันก็กลายเป็นสภาพที่ไม่น่าดูขึ้นมาเวลากินแล้วเกิดความ ยินดีเกิดความชอบกับอาหารที่กินอยู่ก็ให้คลายมันออกมาดูหน้าตามันก่อนถ้ามันน่ากินหลือเกินมันอร่อยหลือเกินหน้าตามันเป็นยังไงอคลายมันออกมาจากปากแล้วก็ลองตัดกลับก็ไปกินใหม่มันก็จะกินไม่ลงอนี่เป็นวิธีดัดกิเลสตัณหาอที่หลงไหลกับรสของอาหารอืม ถ้าทำอย่างนี้ได้ต่อไปก็จะกินแบบจะบังคับให้มันกินมันไม่ได้กินด้วยอยากกินค่ะคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามบนข่าวค่ะคิดจนเป็นทุกข์เรามีวิธีจัดการกับความคิดให้หลุดจากความทุกข์ได้อย่างไรคะก็เบืองต้นก็หยุดมันไงใช้สติพอทุกข์กับเรื่องนนเรื่องนี้ก็พุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทาให้เราทุกข์ พอเราสวดไปพูดโธรไปเดี๋ยวเราก็ลืมเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ทุกข์ก็หายไปแต่พอเรากลับไปคิดใหม่มันก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่พอเราหยุดความคิดได้ไม่ให้มันทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ต่อไปเวลามันจะกลับไปคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ใช้ปัญญาอสอนให้เห็นว่าสิ่งที่เราทุกข์ด้วยนี้เป็นเพราะเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พราะเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการมันก็จะทําให้เราทุกข์ทั้นั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นกล้วยก็ปล่อยเขาเป็นกล้วยไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นส้มเพราะเป็นไปไม่ได้อยู่ดีเขาชอบนินทีเนนทาว่าร้ายเขาชอบอิจฉาริษยาเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาอิจฉาริษยาไป บอกให้เขาเอานินทาว่าร้ายเราไปหนาใจเราจะไม่ทุกข์เพราะว่าเราไม่ไปมีความอยากให้เขาไม่อิจฉาลิษยาไม่ว่าร้ายไม่นินทาเราเอาันนี้คือการใช้ปัญญาแล้วมันจะทําให้เราไม่ทุกข์กับเขาอีกต่อไปไม่ว่าเขาจะทําอะไรเราก็จะเฉยได้คําทําต่อไปจากคุณวรเทพค่ะหากจะบวช ต้องเลือกเลิก ง, งามยามดีไหมครับหรืออยากบวชตอนไหนก็บวชได้เลยครับก็ต้องมีความพร้อมไงนะคนที่จะบวชให้เราเขาพร้อมที่จะบวชให้เราหรือเปล่าเราพร้อมที่จะไปบวชหรือเปล่าเรามีเครื่องบวชหรือเปล่ามีบาทมีจีวรมีอะไรหรือเปล่ามันก็พร้อมัมนไม่มันทางศาสนาเราเรียกว่าเลิกสะดวกไม่ใช่เลอกไม่ใช่เลอกเดือนเลอกวัน เอาความสะดวกความพร้อมเป็นหลักไม่นจะเลิกบอกว่าให้ไปบวชตีสองนี้มีพระที่ไหนก็จะมาบวชให้เรารืเปล่าใช่มมันอย่าไปดูเลิกมันไม่มีมันไม่มีความจริงหรอกอันนี้เป็นความเชื่อมันไม่พระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมผลที่จะมี ก, รการสิ่งที่จะกระทบกับเราคือการกระทาของเราเนี่ยทำดีทำเวลาไหนมันก็ดีทั้งนั้นเนี่ย ทำชั่วเวลาไหนมันก็ชั่วทั้งนั้นเนี่ยเหมือนไปดูเลิกก่อนจะไปป้นธนาคารนี้เวลา <c oughs> มันป้นได้เงินมามันก็ชั่วอยู่ดีนะมันไม่ได้ดีหรอกงั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องโลอิอย่า ม, ม, มันไม่มันไม่มีมันไม่มีความจริงไม่มีผลกระทบกับต่อชีวิตของเราสิ่งที่จะมากระทบกับชีวิตของเราก็คือการกระทําของเราดีชั่วนี้เองอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่า นามีกรรมเป็นของของเราจะทํากรรมอันไว้อันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเหมือนเราเนี่ยชาวพุทธเราส่วนใหญ่เป็นพุทธแบบพุทธไม่ฉลาดไม่ใช่พุทธแบบพระพุทธเจ้าพุทธนี้แปลว่าผู้รู้ชาวพุทธเราเป็นพุทธแบบไม่รู้เพราะไม่ศึกษาไม่สนใจ แล้ว อ, อาจจะไม่มีใครป้อนให้สมัยเป็นเด็กๆไม่มีใครสั่งใครสอนพอโตขึ้นก็ไปเรียนวิชาความรู้ทางอื่นเลยไม่รู้เรื่องวิชาธรรมรู้ทางพุทธศาสนาว่ามีอะไรบ้างก็เลยเป็นพุดแบบในทะเบียนบ้านพุดแบบไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก็ยังดีที่ว่ารู้ที่ว่าตอนเองไม่รู้เรื่องเรื่องของพุทธแล้วก็เริ่มมาสนใจศึกษา ถ้าศึกษาต่อไปก็จะจะรู้เรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่เรื่องของใครละก็เรื่องของเรานี่แหละพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้สอนเรื่องใครหรอกสอนเรื่องของพวกเรานี่เองสอนให้พวกเรารู้ว่าเราดีรู้เราดีรู้ชั่วเกิดจากการกระทาของเราเราอยากจะดีให้เราทำความดีไปเราอยากจะชั่วก็ทำความชั่วไปน่ะ มีอีกไหมยังไม่มนะีไม่มีพักกินาน้ำสักสองนาทีรอคำถามเข้ามาเดินทางมาจากพิษณุโลกเลยเหรอขอครับมาทุระที่กรุงเทพเลย ค, คเขาเลยแวะมาดูจากที่นี่ได้ยังไงมีเพื่อนที่ที่มาฟังเทศเทื่อนมาปฏิบัติธรรมนัผมผมก็เลยดู จาก YouTube อ่ะไม่เคยมาที่นี่ครับเคยดูจาก y o u t u ครับเคยเฝ้าเข้าเฟซบุ๊กว่าปะไม่เคยอ่ ะ, อะก็ดจกูจากใน Youtube แล้วก็อีเวที่สามารถเข้าจาก Youtube Facebook ได้หลายทางท น, นี่ก็มีการถ่ายทอดสดทุกวันช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสี่ถ้าอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้ทั่วโลก มีคนติดตามเคยสำรวจดูก็มีคนดูจากหลายประเทศด้วยกันแล้วก็ในประเทศก็มีหลายหลายสิบจังหวัดห้าหกสิบจังหวัดได้มีมคำถามหไหมคะคำถามต่อไปจากคุณกามนค่ะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจิตไม่ตายตายไม่สูญ ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับก็ต้องบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนี่ยพอเป็นพระโสดาบันก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นจิตเป็นผู้กระทำบุญทำบาปเห็นผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตที่ไปทำบุญทำบาปเห็นจิตเป็นผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดและเห็นทางที่จะพาให้ไปสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด พอเป็นพระโสดาบันแล้วนี้สามารถปฏิบัติไปเองได้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่ไม่หลงทางแต่อาจจะช้าแต่ถ้ามีครูอาจารย์นี้อาจจะเร็วกว่าเพราะครูอาจารย์จะคอยเตือนเวลาไปผิดทางแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ถ้าไปผิดทางเดี๋ยวก็รู้ว่าออทางนี้ไม่ใช่ต้องกลับมาใหม่ก็อาจจะเสียเวลาหน่อยต้องลองผิดลองถูก แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านก็บอกคอยบอกอยู่ต้องไปทางนี้อย่าไปทางนั้นพอมาถึงทางยากจะไปทางนู้นก็บอกไม่ใช่ต้องมาทางนี้อะไรทำนองนี้ก็จะไปได้เร็วกว่าแต่จะไม่หลงทางจะรู้ทางหรือพอมีแผนที่มีอริยสัจสี่มีใจรับเพียงแต่จะไม่รู้จักใช้มันดูแผนที่ยังดูไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> ดูไม่เป็นดูไม่ชนานาญ แต่ถ้าให้คนที่เคยดูเป็นดูชำนาญมาบอกมันก็จะง่ายขึ้นค่ะคํำถามต่อไปจากคุณวงเจอปัญหาคนพาลก่อกวนอยู่บ่อยๆผมพยายามทำเฉยๆไม่ตอบโต้บางครั้งจิตรู้สึกไม่พอใจอยากตอบโต้ทาให้อยู่กับความโกรธอารมณ์โกรธควรทําอย่างไรดีครับหรืออยู่ลมกับอยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่ก็ยังอยู่กับอารมณ์ไม่พอใจอยู่พักใหญ่ครับ ก็คิดว่ามันเป็นเป็นเห็นนับสติปัญญาเป็นเป็นเหตุการณ์ที่จะสร้างบา ร, รมีของเรามาบ่มีบัญญัตบารมีบรรม่บรรเกิดนะทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดนะลองมาสร้างบา ร, รมีกันไม่ดีกว่าเลยมาทําทานกับคนทานไม่ดีกว่าเลย มาให้อภัยเขาอย่ามาเมตตาเขาไม่ดีกว่าเลยถ้าเราเมตตากับคนผ่านได้แล้วต่อไปเราเมตตากับคนทุกคนได้หมดเมตตาก็ไม่ได้คำว่าเราจะต้องไปทำอะไรให้เขาเพียงแต่เราอย่าไปรังเกยียจเขาเราอย่าไปโกรธเขาอย่าไปอาฆาตพยาบาทเขาปล่อยเขาไปตามเรื่องตามราวของเขาเขาอยากจะเป็นคนผ่านก็เหมือนกับเขาอยากจะเป็นสุนัข ก็ไปยก็เป็นสุนัขไปเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็เพียงแต่จะรู้จักวิธีปฏิบัติกับสุนัขเท่านั้นเอง <S <S ถ้าอยากจะให้มันไม่บากัดเราเราก็ให้ขนมมันกินหาขนมมาอะไรมาล่อมาเลี้ยงมันเดี๋ยวคนพานไม่อยากจะให้มันมารบกวนเราก็ซื้อขนมมาฝากมันมั่งอะไรบ้างเดี๋ยวมันอาจจะไม่มายุย่งยุ่งอะไรกับเรา คือพยายามเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรให้ได้คแล้วเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้แล้วสบายอะไ้นี้เมื่อก่อนเขาเป็นศัตรูเราพอเราทำให้เขาเป็นมิตรกับเราเขาอยูนี้ก็าอาจจะมาคอยดูแลพิทักษปกป้องรักษาเราก็ได้ค่ะคำถามต่ <c oughs> อไปจากคุณพี่พบ <c oughs> การนั่งสมาธิโดยนึกถึงทโดยนึกถึงบุญทานที่เราเคยทำทำให้จิตใจปิติ จัดเป็นจาคานุสติใช่หรือไม่ครับและหลังจากนั้นค่อยทำอานาปนาสติต่อไปครับได้ถ้าจิตใจเราเบื้องต้นมันไม่มีความสุกมันมวุ่นวายถ้าเราลึกถึงบุญกุศลที่เราทำไว้แล้วทำให้จิตใจเราเย็นลงมีความสบายใจมากขึ้นก็ทำได้แต่ถ้าอยากจะให้จิตสงบเต็มที่ก็อาจจะต้องกลับมาดูลมหายใจต่อค่ะคาถามต่อไปจากผู้ฝักถามบนเขาค่ะ แม่ชอบบ่นว่าทำไมไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นคนอื่นมีบ้านมีรถควรตอบท่านอย่างไรคะขอบคุณค่ะอะก็บอกว่าแม่คนเราเหมือนกันเหมือนกันนิ่เือนของเราหรือแม่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมทําไมถึงมีนิ้วโป้งมีนิ้วชี้มีนิ้วนางมีนิ้วก้อยคนเราก็เหมือนกันบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อย ว่าวาสนาบรารมีที่ทำไวมามามีมากน้อยไม่เท่ากันเก็ตอบแม่ไปอย่างนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องของบุญเก่าบุญเก่ากรรมเก่าทำมามากทำมาน้อยเมื่อมาเกิดก็จะมีมากมีน้อยถ้าอยากจะมีมากก็พยายามทำบุญให้มากเดี๋ยวชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ก็จะมีมากกว่าที่เรามีอยู่ในชาตินี้ ค่ะคำถามต่อไปจากคุณเถาวันคนเป็นโรคซึมเศร้ารักษาศีล น, นั่งสมาธิจะหายไหมคะอยู่ที่ว่าซึมเศร้าระดับไหนถ้าซึมเศร้าแบบไม่มีสติเลยมันก็ไม่ได้แต่ถ้าซึมเศร้าเป็นพักๆเนี่ยช่วงไม่ซึมเศร้าก็มาฝึกสติกันมาฝึกพุทธโธมาฝึกนั่งสมาธิกันถ้าฝึกได้ต่อไปอาการซึมเศร้าก็จะน้อยลงไป เพราะความซึมเศร้ามันเกิดจากความไม่มีความสุขไม่มีความสุขอยากได้นี่นอยากได้นี่แล้วไม่ได้ผิดหวังเสียใจมันก็ซึมเศร้าขึ้นมาแต่พอเรามาหัดฝึกสตินั่งฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็เกิดความสุขขึ้นมาพอมีความสุขอาการซึมเศร้าก็จะน้อยลงไปแล้วก็จะทำให้อยากจะฝึกสติมากขึ้นนั่งสมาธิมากขึ้น เราบอาการซึมเศร้าก็หายได้หมดแต่ถ้าอยู่ในสภาพที่ฝึกสติไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องรอให้อาการซึมเศร้ามันหมดแรงไปของมันทุกอย่างมันต้องมีวันเสื่อมันหมดเพียงแต่จะช้าหรือจะเร็วเนทะ่านั้นเอค่ะคำถามต่อไปจากคุณสุชาดาหากคนใกล้ตัวไม่พูดด้วยเราขออภัยขอขมาแต่เขาก็ยังไม่พูดด้วยเราควรทาอย่างไรดีคะ ก็ดีเสร็จะนั้นไม่ต้องมีใครมารบกวนเราเขาไม่พูดก็ปล่อยเขาไปพูดนั้วหน้าลำคาญกบไม่พูดไปไหมดีแล้วเราไม่ต้องไปหาผ้ามาปิดปากเขาบางคนอยู่กับคนที่ชอบพูดนี้โอ้ยเบื่อพูดทั้งวีทั้งวันบ่นเรื่องนั้นบ่นเรื่องนี้ถ้าเขาไม่พูดได้ดีแล้วอย่าไปยายากให้เขาพูดบางคนก็ต่างอยู่กันไป ค่ะคำถามต่อไปจากคุณตือค่ะเราจะทราบได้อย่างไรคาบริการบริกา ร, รอันไหนถูกจริตกับเราครับก็ลองทำดูเลยเหมือนกินข้าวใช่มมีไปร้านอาหารมีอาหารหลายชนิดด้วยกันเราไม่เคยกินชนิดนู้นชนิดนี้เราก็ลองกินดูไม่กินก็ไม่รู้พอลองแล้วก็จะรู้ว่าแบบนี้ถูกกับเราแบบนี้ไม่ถูกกับเราเราก็เลือกกินแบบที่ถูกกับเรา กรรมฐานก็เหมือนอาหารสี่สิชนิดเนี่ยไปร้านอาหารก็มีเมนูเขียนว่ายาวเหยียดเลยเอาเอาตั้งแต่รายการหนึ่งไปก็เชลชนชิมดูวันนี้เอารายการที่หนึ่งพรุ่งนี้เอารายการที่สองลองมันไปทุกรสทุกอาหารเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าชอบอันไหนต่อไปเวลามาร้านนี้ก็จะชี้ไปเบอร์นั้นเลยเอาเบอร์นี้เนี่ย ค่ะคำถ า, า ม, มต่อไปจากคุณชุติการจะฝึกสมาธิอย่างไรไม่ให้มีความอยากได้สมาธิเจ้าคะความอยากได้สมาธิไม่เป็นปนัญหาอะไรแล้วอยากขอให้มันอยากได้มันถึงจะได้นั่งกันที่มันไม่ได้นั่งเพราะมันไม่อยากได้สมาธิกันความอยากได้สมาธินี้ดีไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นกิเลส น, นะครเพียงแต่ว่าวลานั่งอย่าไปอยากให้มันสงบเท่านั้นเวลานั่งต้องให้มีสติอย่าไปนั่ง เราอยากให้มันสงบมันไม่สงบความอยากสงบมันจะทําให้ไม่สงบถ้าอยากจะให้มันสงบอย่าไปอยากให้อยู่กับพุโทโธไปให้อยู่กับลมไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเองค่ะคำถามต่อไปจากคุณธนากรน้องสาวเห็นผีนั่งอยู่ในบ้านบ่อยแต่ไม่สามารถคุยได้คืออยากรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะสื่อสารกับเขาได้ครับเผื่อเขาจะมาให้ช่วยครับ ก็สื่อสารไม่ได้ก็สื่อสารไม่ได้ไไดจะทำยังไงถ้าเราไม่มีพลังจิตก็ต้องฝึกจิตให้สงบมากขึ้นจนอยู่ในระดับอุปจาระสมาธิก็จะสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณต่างๆได้ค่ะคำถามต่อไปจากคุณชยาภาทำอาชีพขายยารักลูกกุ้งเป็นอาชีพขาต่อสินห้าไหมคะก็ต้องออกไปข่าไม่ใช่เังกุ้งต่อไปก็ไปขายก็ไปค่า ก็เป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมเพราะไปกระทบกระเทือนต่อชีวิตของผู้อื่นควรอีกเรื่องอาชีพที่ไปทำให้เกิดการทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเช่นขายยาพิษขายสารสารพิษต่างๆขายอาวุธขายกับดักสัตว์ต่างๆขายเบ็ดขายแหอะไรพวกนี้เป็นอาชีพที่ส่งเสริมการฆ่ากันไม่ควรที่จะกระทาอาชีพเหล่านี้ ค่ะคำถามจากคุณอนิจจังขอหลักการในการหาอาจารย์เพื่อที่จะให้การปฏิบัติก้าวหน้าไม่หลงทางด้วยเจ้าค่ะก็ต้องหาอาจารย์ที่แท้จริงก่อนอาจารย์ที่แท้จริงก็คือพระพุทธเจ้าวิธ <c oughs> ีเข้าหาพระพุทธเจ้าก็คือไปอ่านหนังสือจากพระไตรปิฎกอา่านทสูตรสําคัญต่างๆ อ่าหนังสือที่เขาคัดออกมาจากพระไตรปิฎกในทางศาสนาทางคณะสงฆ์ทัานก็จัดหนังสือที่เอาสาระแก่นสารของศาสนามามาสอนเช่นไหนหลักสูตรนักธรรมตรีเนี่ยก็จะสอนเรื่องอคําสอนธรรมะต่างๆบทธรรมต่างๆเช่นอริยสัจสี่ อันนี้ลายลักษอะไรเหล่านี้อิทธิบาทสีอันนี้เป็นคำสอนที่ออกมาจากคำสอนออกมาจากปากของพระพุทธเจ้าเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก่อนเมื่อ ร, รู้แล้วแต่เรายังอาจจะไม่เข้าใจในรายละเอียดเราก็อาจจะต้องไปหาหาครูหาอาจารย์ที่สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดต่างๆได้ อย่างนั้นเราก็จะรู้ว่าท่านสอนในแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือเปล่าถ้าท่านเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้าไมา่มาสอนมาสอนเราก็จะได้รู้ว่าเอท่านกําลังพูดเรื่องที่เราไม่ควรที่จะไปเรียนรู้เราก็จะได้รู้ว่าไม่ควรไปศึกษากับท่านาค่ะคํำถามต่อไปจากคุณกอนหาไทย ข้าพเจ้าเป็นลูกคนสุดท้องมีพี่หลายคนแต่ชอบล้เส้นข้าพเจ้าในการลักทรัพย์นําทรัพย์สินของข้าพเจ้าจับจองที่ดินของข้าพเจ้าไปทํามาหากินส่วนตัวทั้งที่ข้าพเจ้าก็ต้องใช้ทํามาหากินเช่นกันพอบอกกล่าวเขาก็โกรธมากจนมีปากเสียงกันข้าพเจ้าควรปฏิบัติทางกายและใจอย่างไรดีคะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไร ถ้าเราต้อง่านที่ดินทรัพย์สินเราก็ต้องไปทําให้เขาโกรธเราถ้าเราไม่ต้องการให้เขาโกรธเราเราก็ให้ทรัพย์สินที่ดินเข้าไปะก็มีทางเลือกสองทางจะทํายังไงได้โลกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทําให้เขาไม่พอใจเขาก็โกรธเราถ้าเราอยากให้เขาพอใจเขาก็เบียดเบียนเราลังแกเราก็ยากกันอยู่ได้ก็ดีที่สุดะ ถ้าอยู่กันแล้วมีปัญหาต่อกันก็แยกกันอยู่คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกน้ำค่ะการขายลอตเตอรี่ถือเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าคะมันก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งลอตเตอรี่เนี่ยเหมือนกับผักเหมือนกับปลาปูอะไรต่างๆมันอยู่ที่คนซื้อว่าซื้อแบบไหนถ้าซื้อแบบคิดว่าเป็นการทาบุญก็ไม่บาป คิดว่าถ้าไม่ถูกก็คิดว่าเป็นการทำบุญไปช่วยเหลือรัฐบาลเอาเงินไปสนับสนุนคนยากจนอันนี้ก็ไม่เป็นไม่เป็นเสียหายแต่ถ้าซื้อมาเพื่อแบบเล่นการพ น, นันแบบทุ่มเทไม่เอาเวลาไปทำงานทำการมาหามาใช้การซื้อลอตตอรีเป็นอาชีพอย่างนี้ก็อาจจะไม่ดีเพราะทำโอกาสที่จะล่มจมมันง่ายกว่าที่จะกำไรล่ำรวย มันมันอยู่ที่คนซื้อมันไม่ไอยู่ที่คนขายเหมือนคนขายมีดอย่างเงี้ยมีดก็ไปทําประโยชน์ได้จะเอาไปทําโทษก็ได้มันอยู่ที่คนซื้อคาถามสุดท้ายจากคุณพิมพ์ดาค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราหลับหรือเราเข้าสมาธิคะเพราะบางครั้งบริกรรมพุทธโธแล้วหายไปแต่แยกไม่ออกค่ะว่าหลับ หรือว่าเข้าสมาธิค่ะหายไปก็หลับนะถ้าไม่หายก็ไม่หลับอ่ออออาได้จบสุดท้ายแล้วอ๋อครับอ่าผมเคยฟังพระอาจารย์สอนว่าตัวเรานี่ไม่ใช่ร่างกายนี้แต่เป็นจิตใจอ่าจิตใจนี้มันใช่จิตใจที่ที่ที่หมายถึงขันห้าม่รู้ว่าเป็นแค่จิตดวงรู้ฮะคือขันห้ามมันก็มีส่วนของจิตใจอ ย, อยู่สี่ส่วน คือเรียกว่านามขันคือสังขารสัญญาเวทนาวิญญาณอันนี้เป็นส่วนของจิตใจความรู้สึกนึกคิดส่วนร่างกายคือรูปประขันขานั่นนี่มีสองส่วนส่วนหนึ่งคือร่างกายคือรูปประคันอีกสี่ส่วนคือนามขันนี่เป็นส่วนของจิตใจมารวมกันทำให้เกิดมีการทำอะไรได้ต่าง ถ้ามีเพียงแต่ร่างกายไม่มีจิตใจก็ไม่มีใครสั่งให้ร่างกายทําอะไรผู้สั่งคือจิตใจเราจะมาที่นี่ได้ต้องมีจิตใจสั่งให้ร่างกายมาพามาถ้าไม่มีจิตใจอยู่ในร่างกายเหมือนตอนเวลานอนหลับหรือเหมือนเวลาที่เราตายไม่มีจิตใจร่างกายก็ไปไหนมาไหนไม่ได้แต่จิตอจิตในขันห้านี่ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันหรือว่าครับ ไม่ใช่จิตในขานห้าในขานห้าขันขันสี่มันอยู่ในจิตนะครับมันเป็นส่วนประกอบของจิตความรู้สึกนึกคิดนี่มันเป็นส่วนประกอบของจิตส่วนความประกอบนี้มันก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นความรู้สึกเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนมันเป็นสภาวะธรรมเหมือนดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา พอดีผมเคยอ่านดูเขาบอกว่าอาเราก็เหมือนเป็นจิตดวงรู้คือจิตจิตจิตที่อยู่ในส่วนหนึ่งของขันหานี้รวมรวมกันสี่ส่วนนั้นใช่ไหมครับ เ, เ, เป็นส่วนของจิตจิตใช้ขันนี้เป็นตัวทํางานใชใ้ความคิดอพาให้เราไปทําอะไรต่างๆอเสพความรู้สึกจากความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ จำได้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นอาการของจิตเภะนามะคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนรูปนี้เป็นอาการของร่างกายเป็นส่วนของร่างกายเป็นสองส่วนมารวมกันเป็นห้าหนึ่งบวกสี่รูปเป็นณรูปเป็นร่างกายนามเป็นใจนามมาจากใจ